หมายความว่าเรามุ่งมาทางนี้แล้วก็ไม่คิดจะกลับไปเป็นอย่างเดิมอะ่ะเคยกินเล้าเคยเล่นการพานันเคยคบเพื่อนเคยกินเคยสนุกสนานก็ไม่เลี้ยวกลับไปทําตรงนั้นอีกถ้าเรามีหน้าที่ทําความเพียรแล้วนะมาแบบไม่เล้ยวกลับจนไปถึงที่ที่ตรงไหนที่ที่ไม่เศร้าโศกถ้ า, าว่าไปถึงแล้วยังเศร้าโศกเลยเรื่องยังไม่ถึงที่และไปที่ที่เรา ต้องการไปถึงคือที่ที่ไม่เศร้าโศกที่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนว่าไงเด้อถ้า ah ไปแล้วยังทุกข์หนึ่งเดือดร้อนอยู่ก็เรียกยังไปไม่ถึง ท, to, well. ที่ท่านบอกว่าการทํานาใครทําได้อย่างนี้ย่อมมีอมตะเป็นผลใครทําได้ก็คือมีอมตะคือมีความมีพระนิพพานมีจิตใจเยือกเย็นมีมีไม่ไม่ทุกข์คำว่าอมตะคือไม่ตายไม่ตายคือไม่ทุกข์นั่นแหละการตายก็เป็นทุกข์การเป็นทุกข์คือความตาย ถ้าไม่ทุกข์ก็คือไม่ตายไม่ตายไม่หมายความว่าไม่ได้ละจากสังขารนี่นะไม่ตายคือไม่ทุกข์แหละไม่ทุกข์ก็ถือว่าไม่ตายไงนั้นถ้าเราไม่ตายหมายถึงไม่ไม่ไม่ไม่จากสังขารนี่ไม่ถูกนะคำว่าไม่ตายคือตัวนี้เราเราไม่เป็นทุกข์เพราะเราทูกข์ความตายเป็นทุกข์ทำนาทําได้อย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ท่องปวุงได้ ทําได้อย่างนี้คือทําเอาธาตุเป็นเมล็ดพืชความเพียรเป็นฝนสติเป็นงอนไถ่ระประตัดสติค่อยเขียนไปเรื่อยๆปัญญาเป็นผานและประตัดสติเป็นงอนไถ่หิริเป็นงอนไถความอายชั่วกลัวบาสหิริอายช่วนี่คือได้แก่ศีลเนี่ยนะแก่ศีล เพราะนั้นตัวสติในที่นี้เป็นอะไรนะเมื่อกี้ภาระลายจะนัสติเมภาระปลาจะนัง่งสติเป็นผานและประดับสติเป็นผานและประดับหมายถึงสติเป็นคมคมไถประดับเอประดับนี่ต้องเป็นไม้แนะท่นน่แนคือเวลาทำเนียบของผานเนี่ยเขาบอกว่าจะไล่ เวลาเขาอะไรมีล้อเกวียนเนี่ยกขาจะใช้ไม้ปะตักตีบวัดตีควายก็คือบ้านเฮากับไม่แท่นเนาะไม้ปะตักหมวด้วยไม้ปะตักเด้อสำหรับไรนั้นเองก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้นะว่าตัวหิริเป็นศีล ส, สติสมาธิปัญญาก็มีอยู่ในนี้ ในในิที่ท่านว่าโดยศีลโดยตรงท่าทีเป็นงอนไถี่เป็นงอนไถใจเป็นเชือก เ, เชือกเป็นตัวสื่อตัวชักตัวนําทําหน้าที่ต่างๆตัวบังคับบังคับให้ไปตามร่องตามรอยของเชือกอันนี้ก็เป็นส่วนวเรื่องพุทธะกะเกษตรนะเพราะเรื่องของเรื่องมันก็คือวันหนึ่งพุทธเจ้าเอาไปมิเทาบาทเรไปเจอชาวนา ชาวนานี่ก็นึกดูถูกพวกสมณะพวกขอเขากินเนี่ยพวกไปบินถบาเนี่ยก็เอ้พวาะสมณะพวกนี้ไม่ทํามาหากินกันเลยไงตอนเช้ามาก็มีแต่ถือบาทไปขอข้าวชาวบ้า น, นไม่รู้จักทําไร่ทํานาพรามคนนี้ก็เลยเข้าไปต่อว่าพร้พิจารณาพร้พิจารณาเลยตรัสพระสูตรตรงเนี้ยว่า ท่านไม่ทํามาหากินไม่ทํานาพวกเราเนี่โอ้ยทานาแต่เช้าก็ตื่นขึ้นมาเย็นก็ได้กลับบ้านพุณท่านทําอะไรกันทํามาหากินอย่งไรทําั่นนั่นน่ะ น, นี่เรากุฏยญานี่เราก็มาทามํานาเหมือนกันในผานในประดักในเชือกในไถ่ายคือบาดของเราเนี่แหละบาดของเราเพราะเรามีอย่างเนี้ยสติมีศรัทธาเป็นพืชมีความเพียนเป็นฝน มีสติเป็นก้อนไถมีใจเป็นเชือกมีหิริเป็นก้อนไถมีสติเป็นผานให้เป็นสติเป็นฐานและประตัดปัญญาเป็นแอกและคันไถนี่อันนี้เป็นเครื่องมือของเราการคุ้มครองกายการสรํารวมกายวาจารู้ปรามาณในอาหารเป็นเครื่องบังคับนะให้ให้จิตของเราเนี่ยเป็น ใจเป็นเชือกหีริเป็นมอญไทยใจเป็นเชือกเราทําอย่างนี้ทุกวันเรามาทําทุกวันไม่ใช่ว่าไม่มีฤดูกาลพระพุทธเเนี่ยเราทําทุกฤดูนะแล้วก็ถ้าใครทําตามนี้ได้เนี่ยคนนั้นก็จะมีอ่าเรียกว่ามีอมาตะเป็นผลของท่านเนี่ยมีข้าวเป็นผลมีพืชผักเป็นผลแต่ของเรามีอมาตะเป็นผลท่านทําได้ไหมว่า แอกคืองอนไถ่แอกคื อ, อแอกก็คือที่บังคับคอคโค้งๆแบบเาดึงควายเข้าและแอกถ้าใส่ล้อก็จะมีด้านนี้เป็นแอกด้านนี้ก็เป็นเชือกโค้งมาแอกใส่เับฮะเออไม่เอามาให้คุณนึกยวงดู นั่นน่ะพาไปลงตำนานนั่นแหละอ น, นี้ไม่มีให้เห็นนะต่อไปอาจจะมีก็ได้นะอาจารย์ น, นันเริ่มชื่อชื่อควายแจกแล้วตอนนี้ในควายที่อาจารย์นันซื้อแจกเนะี่ยออกลูกออกมาก็ขายถูกๆให้เลี้ยงเนะี่ะเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆเป็นการแพร่ขยายพันธไปเรื่อยๆกลับมาเหมือนเดิมนะ ฮ ะ, ะเดี๋ยวจะให้ลุงนวยทําพิธุพันธ์ชาวนาทํา <c oughs> <c oughs> พิธุพันธ์ชาวนาไว้สักแห่งนอมีแอกมีเดี๋ยวนี้ก็ไปเห็นตามอปนะตามเป็นเฟอร์นิเจอร์หมดน ะ, ะพวกลอ้อพวกเกวียนพวกแอกพวกไทยก็ไปทําเฟอร์นิเจอร์ขายหมดอผ่านระบาดตักผ่านไทยเนาะ นี่เมื่อชาวนาถามทีพุทธเจ้าตอบงี้ป๊อก็อา้าวเธอติดอารมณ์เลยเนะี่ยต่อประเดน็นไม่ติดเลยตเลเอือดไปเรื่องไถแล้วต่ออารมณ์ไม่ติดเลยพอพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ก็ปรากฏว่าชาวนาก็เลื่อมใสหาเข้ามาใส่บาตรโอ้การทํานาแบบท่านนี้ข้อท่าดีเดี๋ยวผมไปทําบ้างมาสบายดีเหมือนกันแล้วเธอจะสํารวมกายวาจาจะ อ่าควบคุมการทานอาหารได้เป่าวันนัมือนะไหวไหมโอเงี้ยเดี๋ยวชะลอไว้ก่อนได้คุยกันอแล้วก็ควบคุมกายวาจาทําความเพียรนนะทําไงทําตามหนะ้าที่ถึงเวลาวันบอกว่าปีหนึ่งเธอทํานากี่หนบอกว่าหนเดียวแต่เรานี่ยคนทำของเราทําตลอดปีอะ่ะไหวไหมเนี่ยดทําความเพียรทั้งทั้งวันอะรวไม่ไหวเหมือนกัน อสักไปสักมาทําไม่ได้สักอย่างเลยบอกเธองั mm ้นเธอทํานาให้ฉันใส่บัตรให้ฉันไปก่อนก็แล้วกันคุยกันแถวนาพู้ดเจ้าถ้าทําอย่างที่ฉันทําไม่ได้เนี่ยเธอก็ต้องทํานาไปถ้าหากว่าจะเลิกทานาก็ได้ฉันเป็นที่บะช่วยกับมิระบาตเลี้ยงตัวเองอย่างนี้แหละผู้เจ้าเลยตัดไปสูตรนี้ไงพุทธเกษตรยนะสูตรนี้ก็เรียกว่ามีชื่อมากที่พู้ดเจ้ามา บุคตาบุคคนใดทำนาทำได้อย่างนี้ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าทำนาแบบเอาข้าวอาอยุยญ่ฉางเนี่ยมันไม่หมดทุกข์ทำแล้วทำอีกทำแล้วจนตายก็มันไม่หมดทุกข์แต่ทำนาอย่างที่พระพุทธเจ้าทำเนี่ยถ้ามันหมดทุกข์หมดกิเลสไม่ต้องเรียนไหวใจเกิดอีกเพราะนั้นถึงใช้คำว่าพระรัตนไตรเป็นเนื้อนาบุญของโลกแล้วก็ใครมาปลูกมาฝังมาทําแล้วก็จะได้บุญแต่ชาวนาก็ได้ข้าว แต่ถ้ามาทำนาแบบพุทธเจ้านี้ก็ได้บุญได้บุญแล้วเราก็ไปทำนาทำบุญกับพระเรียกว่าทำบุญก็คือทำนานะทำพุทธกเกษตรเพราะท่านทำท่านทำนาแบบพุทธกเกษตรเราก็ไปทำบุญกับพระเพื่อท่านก็ให้ศีลให้พรให้สติปัญญาให้วิธีการปฏิบัติเราก็ได้อิ่มโอ่อิ่มใจไหมพอปฏิบัติแล้วได้อิ่ม อ, อ่่นใจนั่นแล้ได้กินข้าวแล้วคืออมาตะธรรม เรารู้สึกไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ลําบากไม่วิตกกังวลนั่นก็ถือว่าเราเราได้อมตะเป็นผลคือได้รับทานข้าวทิพย์ก็คือตัวสภาวะธรรมนั่นเองนะอันนี้การทํานาแบบนี้ไปแบบไม่เลี้ยวกับก็หมายถึงว่าเราพอมาปฏิบัติได้แล้วจิตของเราก็ไม่หวนกลับไปเรื่องของการอยู่การกินการสุขสนานการเสพสุขเหมือนเดิมเนี่ยไปคือมันไม่หวนกลับไปอีกนะ แต่ชาวนาถึงจะทำนาแต่หวนกลับไปกินเหล้ากินยากินอะไรอย่างอื่นอีกที่ว่ามันวิเศษกหมืนกันก็วิเศษอย่างนี้นะมันจะพ้นทุกได้เพาะนั่นเองว่าพระสงฆ์ท่านว่ากับุนยเขตตังโลกะสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกหมายถึงว่าถ้าใครไปทำบุญกลับนั่น้อบุญก็จะงอกงามเพราะพระสงฆ์ได้ทำนายเนียท่านก็เอาข้าว ข้าวคือตัวสติตัวสมาธิปัญญาเนี่ยมาบอกมาแนะเราอันนั้นก็เหมือนว่าเราท่านให้ข้าวกับเราเราก็รับเอาข้าวเนี่ไปรับประทานคือรับไปปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าให้ข้าวไปแล้วเราไม่รับไปปฏิบัติ <S <S 2> <S 2> ก็เหมือนเราก็ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวนั้นรับข้าวไปแต่ไม่รับประทานรับวิธีการไปรับคําสอนไปแต่ว่าไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็เหมือนก็ไม่ได้เอาเอาข้าวไปแต่ไม่ได้เอาไปรับประทานอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้กินอมตะตัวนั้นคือไม่ได้กินอมตะธรรมคือไม่ได้สัมผัสสภาวะของมรรคของผลจิตใจเราก็ไม่อิ่มไม่เต็มจิตใจก็หิวก็อยากพราะเราไม่ได้ไม่ได้กินข้าวของพุทธเจ้าคือพุทธเกษตรพอเราได้กินข้าวพุทธเจ้าแล้วรู้สึกอิ่มเต็มอิ่มใจเต็มใจสบายใจไม่พร่องไม่หิวไม่อยากไม่อยากได้โน้นอยากได้นี่รู้สึกพอความรู้สึกมันพอมอิ่ม นี้แราเลี้ยวเราได้อทำนาแบบพุทธเจ้าคือทำพุทธเกษตรถ้าใครนาทำนาทำได้อย่างนี้ก็จะพ้นจากทุกทุกปวงคือความหมายอย่างนี้นะดัง น, นั้นพระสูตรแต่ละสูตเนี่ย ม, มีมีที่มาที่ไปนะอ่าไม่ใช่อยู่ๆท่านจะมาสวดแต่ว่าเราจะหาที่ไปที่มาพบไหมเท่านั้นเองถ้าหากว่าพบก็ามาเล่าสู่กันฟังว่าเออความเป็นไปเป็มาของพระสูตนี่เป็นอย่างนี้นะ มันก็จะได้รู้เหตุผลว่าทำไมท่านถึงจ่นี้ความเป็นมาอย่างไรนะอย่างเรื่องอวันก่อนพูดถึงเรื่องของาพามจูเลกะสาดนะุท่านพูดถึงเรื่องของคาถานะที่นำมาคาถาของจัดเกี่ยวกับเรื่องการปุพิิฆาตานุปุพิฆาานะันะ้ เพราะนั้นก็การที่เราได้ศึกษาพุธทธพุทพธพุทธวจนะศึกษาอย่างเนี้ยมันเข้าใจแต่ว่าพุธทธวจนะที่เราเขาเห่อเขาเหิมเขาศึกษากันคือฟังแล้วก็จำได้แต่ว่าเอาไปใช้ไม่เป็นคือไม่เข้าใจใช้อ่ะแล้วพุธทธพจน์ก็ไมพุทธก็เหมือนพุทธพุทธพุทธพุทธพุทพ ไม่รู้จักวิธีปรุงยานั้นบอกอันนี้เป็นยาของหมอให้ยาหมดแล้วก็ไปขอหมอใหม่ยาหมดเขาไปเอาไปแต่ถ้าหากว่าวิธีการที่พุทธเวเจนที่โราเรียนยันเนี่ยเรารู้จักวิธีปรุงยาเองด้วยหรือเราสามารถเป็นเภสัชเองนะแต่ถ้าเรียนพุะเจ้าคาสอนพระเจ้าเนี่ยเราไม่เข้าใจที่ไปที่มาเพียงแต่เราไปจำคาถามาแล้วก็จำคําสอนมา แต่เมื่อไม่รู้ที่ไปที่มาเราก็ปฏิบัติไม่ถูกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องดันั้นอย่างคาถาพุธทธเกษตรนี่ก็เป็นพุทธวิจนะแต่ความจริงแล้วท่านอ้างคนเอามายกมาในอ้าง้องพระพุทธเจ้ามาสอนอีกทีหนึ่งในยามที่พระพุทธเจ้าไปพบชาวนาแล้วได้คุยกันเรื่องทานาเรื่องว่าพุทธเกษตรนะคว่าเกษตร ก็มาจากคําว่ากษัตริย์และพวกกษัตริย์ก็คือเป็นเจ้าของที่นาตามภาษาอังกฤษเขาเรียกแลนด์ลอร์ดกษัตริย์ก็มาจากว่าเขตเขตมาเป็นเกษตรเกษตรมาเป็นกษัตริย์พอเกษตรเนี่ยมันเป็นภาษาสันสกฤตเกษต ร, ตรพอมาเขียนเป็นภาษาไทยก็เป็นกษัตริย์เป็นภาษาภาษ า, าบาลีก็เป็นเขตเขตก็แปลว่าที่นาของใครพวกมันเขตนั้นเขตนี้เขต ภาษาบาลีพอสันสกฤดเป็นเกษตรพอกลับมาเป็นภาษาเขมินก็เป็นกษัตริย์เราก็ไปยืมภาษาเขมินมาใช้เป็นกษัตริย์กับเขาเหมือนกันหรือว่าเสด็จอันนี้ก็เป็นภาษาเขมินเสด็จแปลว่าดําเนินแปลว่าเดินไปเนภาษาไทยเพราะฉะนั้นภาษาไทยเรามันปนทั้งภาษาบาลีสันสกฤดเขมินลาวไทยจีนแขกอยู่ในนี่หมดเลยภาษาไทยเป็นภาษารวมเป็นภาษาแบบ รวมมิดอ่นะเราก็เอามาใช้ใช้แต่เราไม่รู้ว่าที่ไปที่มาของมันเพะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็เอาแต่ยอดมันที่จะทำได้ไม่รู้มาจากภาษาอะไรก็ตามแต่เราเข้าใจได้เอาไปทำได้ก็ถือว่าได้ประโยชน์จากมันนะดังนันเวลาเราปฏิบัติเราก็ทำความเข้าใจบ่อยๆในเรื่องที่เราทำเช่นเวลาเราเก็บอารมณ์เนี่ย มันก็จะมีอารมณ์สารพัดออกมาใช่ไหมเราก็เก็บเอาเรื่อยๆเดี๋ยวความขี้เกียจเกิดขึ้นแล้วก็เก็บมาดูความเบื่อเกิดขึ้นก็เก็บมาดูความเซ็งเกิดขึ้นเก็บมาดูความขี้เกียจเกิดขึ้นก็เก็บมาดูความง่วงเกิดขึ้นก็เก็บมาดูความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็เก็บมาดูเป็นไงเก็บมาดูแต่ละอย่างเลยอย่างไปดูให้มันรู้จักมันรู้จักคือเดี๋ยวมันวนมาใหม่พอวนมาใหม่ไม่ต้องดูแล้วทิ้งเลย พ่ออะไรอ้นี่กัฉ mm. ันก็ดูมาแล้วเออนี่ก็มาแล้วนี่เออนี่ก็มาแล้วของเก่าเท่านั้นะเราเก็บไว้ทําไมมาที่กับเตะทิ้งเตะทิ้งไปเลยอันนี้มึงมาเบื่อสิบครั้งกูก็เบื่อสิบครั้งมันไม่เก็บออกมันจํามันไม่ได้นะมาพ่อเราไม่ได้ดูมันนะเอ้ามาก็เบื่ออีกแล้วก็เอาะไปกับความเบื่อพราะเราไม่รู้จักมันก็ไปกับมันนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักมันเพราะเราไม่ได้เก็บมาดูเคาว่าเก็บไม่ใช่เก็บไว้นะเก็บมาดูพิมพ์เกิดอารมณ์อะไรว้าวันนี้ เก็บมาดูว้างหรือเปล่าฮะอ๋อนึ้ว่าไปเก็บอารมณ์อ๋อเนื้ว่ามาเก็บอารมณ์สิบวันแต่ละเดือนไหนทำไมมันแสดงว่าไม่ได้มาเก็บอารมณ์เลยเนาะ อ, ะอะนั้นก็ไหนๆ ก, ก็มาปฏิบัติก็เก็บมาทํานาแบบผู้ริเจ้าสิาบวันไปทํานาทั้งโลกแค่ยี่สิบวันก็น่าจะทําให้เต็มที่เนาะ ใครจะปุ่นจะป่วยจะเป็นจะตายอะไรไม่ต้องไปแบบยายนันแกไม่เคยไปเยี่ยมคนป่วยที่ไหนเลยใครตายที่ไหนใครเสวยที่ไหนแกก็ไม่ไปนเ <c oughs> พราะฉะนั้นเอาอย่ายนั้นว่าไงจะได้สบายเพราะฉะนั้นะเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยความจริงแล้วท่าในชีวิตประจำวันถ้าเราดูเป็นนะเนะี่ยดูเป็นมีเช้ายุ่มสุมพรเอาโทร บ, บอกมาเขาเก็บอารมณ์สามอาทิตย์ เพระนั้นสอบอารมณ์ให้เขาด้วยเอาไปสอบทําไมอีกอะ่ะเพราะคุณก็รู้หมดแล้วอารมณ์อะไรมาอารมณ์อะไรมาก็ดูคณะเองมีหน้าที่ดูมันก็ของเก่านะั้นนั้นแหละมันไม่มีของใหม่หรอกเบื่อไม่ขี้เกียจมันน่วงมันเหงามันเหียมันล้ามันหิวมันฟุ้งงุนหิตอะไรก็เวียนไปเวียนมาอยู่ไงลนะ้วก็ ในที่สุดพอเราดูร้อยครั้งฟันหนแล้วนี่มันก็ต้องไปไม่ดูไปดูมันอีกอ่ะเหมือนดูหนังม้อนเก่าเรื่องเก่าอ่ะอย่าว่าแต่ดูร้อยครั้งเลยแค่สิบครั้งมันก็ไม่อยากจะดูแล้วใช่ไหมบางทีดูจริงก็ไม่เกินสามครั้งอลยใช่ไหมไอเรื่องนั้นจะสนุกขนาดสามครั้งก็เบื่อแล้วอันนี้เราดูเป็ร้อยครั้งก็ยังไม่เบื่อเลยนะมันมาเบื่อร้อยครั้งแล้วก็เบื่อกับมันได้อีกเออมันมาฟุ้งร้อยครั้งก็ฟุ้งกับมันได้อีก มันมขี้เกียจมาร้อยครั้งก็ขี้เกียจกับมันอีกนี่แสดงว่าเราไม่เบื่อมันเป็นถ้าเราเบื่อมันเป็นเราคือจะไม่ตามมันะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเนะี่ยเพราะอะไรจึงไม่เบื่อไม่ไหนายเพราะว่าเรายังไม่เกิดปัญญานั่นเองที่เราสวดอ่ะว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าความคิดทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีสาระเมื่อนั้นย่อมเหนื่อเบื่อหน่าย ย่อมเหนื่อยหน่ายในสัง ข, ขารมีความที่ไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีสาระร่อมเบื่อหนแต่เราไม่เบื่อมันมาทีไรก็ยังเล่นกับมันได้ทุกครั้งเหมือนกันไม่รู้จกเบื่อนะมาง่วงก็เล่นง่วงไปกับมันมาคิดก็เล่นไปกับความคิดมันมาฟุง้งไปกับความฟุง้งได้ทุกครั้งเหมือนกันนี่แสดงว่าเราไม่เบื่อมันยังไม่เกิดตัวปัญญา เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบไม่ใช่แบบสมมปัญญาญาปสตนะิเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าความคิดทั้งหลายทั้งปวงไม่แน่นอนไม่เที่ยงความคิดทั้งหลายทั้งปวงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความคิดทั้งหลายทั้งปวงแตกดับไม่มีสาระท่านบอกว่าอย่างงี้แต่เราก็ไม่รู้สึกเบื่อเพราะนั้น ตัวสำคัญคือทำให้เกิดปัญญาให้เกิดความปัญญาเห็นโทษและเบื่อหน่ายถ้ายังไม่เกิดปัญญาเห็นโทษไม่เบื่อหน่ายมันก็ยังมีความหมายอยู่ความคิดอย่นั้นนะความปวดความเมื่อยก็ยังมีความหมายความขี้เขียจก็ยังมีความหมายอะไรก็ยังมีความหมายอยู่นั่นแสดงว่าเราไม่เบื่อมันแต่ถ้าเราเบื่อเมื่อไหร่มันหมดความหมายมมีความหมายอะไร แต่เราจะไปห้ามมันได้นะมันก็มาเหมือนเดิมนี่ะฝนฟ้าฝนเราเบื่เราไม่ชอบกะไมันก็ยังตกเหมือนเดิมแสงแดดมันจะร้อนขนาดไหนไม่อยากใช่ไหมมันก็ยังส่งอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่อยู่ที่เราจะต้องการจะร้อนหรือต้องการจะเย็นก็เลือกเอานะต้องการจะเปียกหรือไม่เปียกก็เลือกเอาแต่ถ้าเราไม่มีทางเลือกนะฝนตกมาก็เปียกแดดออกมาก็ร้อนนี่เราไม่มีทางเลือก การปฏิบัติทำเหมือนกันถ้าเราปฏิบัตินี่เรามีทางเลือกไงความโกรธมาเราไม่โกรธก็ได้เลือกได้ความโลภมาเราไม่โลภก็ได้ความหลงมาเราไม่หลงก็ได้ความเบื่อมาเราไม่เบื่อก็ได้ความคิดมาเราไม่คิดตามมันก็ได้วิปัสสนาเรามีทางเลือกแบบนี้ถ้าเลือกแบบนี้ไม่ได้ดังไม่เรียกว่าเรายังไม่เข้าสู่วิปัสสนาเพราะยังเลือกไม่ได้เพราะชาวบ้านเขาไม่วิปัสสนาเขาก็เขาเป็นอยู่แล้วอะแต่เรามาวิปัสสนามันต้องมีทางเลือก วิปัสนาไปว่าอะไรเห็นชัดแล้วก็เลือกเป็นเลือกเป็นเห็นชัดวิปัสนาไปว่าอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเข้าใจในมิตินี้แล้วเนี่ยความเบื่อในความขี้เกียจความฟุ้งซ่านความอยากความโกรกงลุกความหลงเนี่มันมาเป็นเวลาเวลาไหมเมื่อมันมาไม่เป็นวเวลาเวลาเราก็จะไปหาว่าเออตอนนั้นฉันจะเก็บอารมณ์ตอนนี้ฉันเก็บอะไมันไม่ได้มันต้องเก็บตลอดเวลา นะเก็บออกนะไม่ใช่เก็บเข้าคนะําว่าเก็บอารมณ์เก็บออกนะแต่เวลาไปทํำจริงๆมันกลับเก็บเข้าเก็บเข้าเก็บให้ติดอารมณ์นะซึ่งมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากเหมือนกันนะนั้นก็ในช่วงเย็นนี้ก็คุยเรื่องนี้เนาะว่าไปพักผ่อนกันในช่วงนี้ก็งานนักก็มุทนาสาธุนะ